257. นิยสกรรมมะวิวาทะกะถาว่าด้วยความขัดแย้งในนิยสกรรม 434. ภิกษุทั้งหลาย 1. หนึ่งในกรณีนี้ภิกษุเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากมีมารยาทไม่สมควรอยู่คลุกคลีกับขรือหัด ด้วยการคลุกคลีกับคฤาเรือหัดอันไม่สมควรถ้าภิกษุทั้งหลายปรึกษากันในเรื่องนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายภิกษุรูปนี้เป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากมีมารยาทไม่สมควรอยู่คลุกคลีกับขฤาเรือหัดด้วยการคลุกคลีกับคฤหัดอันไม่สมควรเอาละพวกเรา จะลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยไม่ชอบธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยชอบธรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุรูปนั้นแล้วแบ่งพวกโดยทำปฏิรูป